หือธรรมะต่างๆซีดีธรรมะที่ท่านทั้งหลายได้รับไปนี้ยังเป็นธรรมะภายนอกใจอยู่ยังไม่ได้เป็นธรรมะภายในใจถ้าเป็นธรรมะภายในใจก็จะสามารถดับความทุกข์ ตัดกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆไปได้ทำให้บรรลุธรรมขั้นต่างๆได้การที่เราจะทำธรรมะภายนอกให้เป็นธรรมะภายในก็อยู่การที่เราน้อมเอาธรรมะภายนอกเข้าไปสู่ภายในใจ ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของธรรมะภายนอกเราอ่านหนังสือเราฟังซีดีแล้วเราก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้อ่านสิ่งที่เราได้ยินธรรมะถึงจะสามารถเข้าไปสื่อในใจของพวกเราแล้วก็ทาหน้าที่ของธรรมะได้ ก็คือดับความทุกข์ต่างๆภายในใจได้ด้วยการละกิเลสตัณหาต่างๆภายในใจดังนั้นเวลาที่เราได้ยินได้ฟังธรรมหรือได้อ่านหนังสือธรรมะได้แผ่นซีดีธรรมะถ้าเราเพียงแต่ฟัง หรือเพียงแต่อ่านแล้วเราไม่นำเอาอไปปฏิบัติธรรมะก็ยังไม่เป็นธรรมะที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ยังไม่สามารถเป็นธรรมังสรณงกาฉามิได้เพราะว่ายังไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ยังไม่สามารถ ตัดต้นเหตุของความทุกข์คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้เปรียบเหมือนกับยารักษาโรคที่เราได้รับมาจากหมอถ้าเราไม่รับประทานยานี้เข้าไปในร่างกายยาก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ รักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หายได้ถ้าเรารับประทานยาเข้าไปในร่างกายยาก็จะทำหน้าที่ข้าเชื้อโรคต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความไม่สบายได้พ อ, อยาได้ทำลายเชื้อโรคต้นเหตุของความเจ็บไข้ได้ป่วย ไปหมดความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายไปธรรมะคำสอนของพระพทธเจ้าของครูบาอาจารย์ต่างๆก็เช่นเดียวกันเราจำเป็นจะต้องเอาเข้ามาสู่ภายใน ใ, นใจให้ได้ถ้าเราเอาเข้าสู่ใจของเราได้เราก็จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆภายในใจได้ วิธีที่จะนำเอามาเข้าสู่ภายในใจก็คือวิธีปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอาหลานตาัสาวกทั้งรหลายนั้นเองก็คือเราต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาถ้าเราปฏิบัติทานศีลภาวนาได้เราก็จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆ ภายในใจของเราได้ไปตามลำดับแห่งธรรมที่เราปฏิบัติได้เราทำทานได้เราก็จะดับความทุกข์ได้ในระดับหนึ่งเรารักษาศีลได้เราก็จะดับความทุกข์ในอีกระดับหนึ่งได้เราภาวนาได้เราก็จะดับความทุกข์ในอีกระดับหนึ่งได้ จนเราสามารถดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจเลยได้หมดเลยอยู่ที่การน้อมเอาคำสอนคือธรรมะภายนอกใจให้เข้าสู่ภายในใจให้เป็นธรรมะภายในใจด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาปฏิบัติได้มาก ผลก็จะได้มากปฏิบัติได้น้อยผลก็จะได้น้อยดังนั้นถ้าเราอยากจะให้มีธรรมะอยู่ภายในใจของเราเพื่อเป็นที่พึ่งของเราเพื่อปกป้องคุ้มครองรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้ทรมานใจเราก็ต้อง ทำทานให้เต็มที่รักษาศีลให้เต็มที่ภาวนาให้เต็มที่ถ้าเราทำได้แล้วเราก็จะได้ผลอย่างเต็มที่ได้ผลอย่างที่พระพุทธเจา้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้รับผลกันวิธีที่เราจะทำเต็มที่เราก็ต้องดู แบบฉบับของพระพุทธเจ้าแบบฉบับของพระอริยสงสาวุกทั้งหลายที่ได้ทํากันท่านทําทานอย่างไรถึงเรียกว่าทําเต็มที่ท่านทําเต็มที่ก็คือท่านสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่ท่านมีอยู่นั้นไปหมดไม่อาศัยทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไว้เป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆ จะหาความสุขจากการดูการฟังการดื่มการรับประทานการเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ่านจะไม่หาความสุขแบบนี้จะไม่ใช้เงินทองเพื่อที่จะหาความสุขแบบนี้ถ้ายังต้องใช้เงินทองก็ใช้เงินทองเพื่อดูแลรักษาร่างกายให้อยู่เพื่อที่จะได้ปฏิบัติ ทำเพื่อที่จะได้น้อมเอาธรรมเข้าสู่ภายในใจเท่านั้นเช่นท่านที่ยังไม่ได้บวชหรือถ้าบวชแล้วแต่ยังต้องดูแลรักษาร่างกายต้องหาอาหารต้องหาที่อยู่อาศัยหาเครื่องนุ่งห่มหายารักษาโรคเองไม่มีใครเขาหาให้ก็ต้องมีเงินไว้สำหรับ ดูแลส่วนนี้แต่ถ้ามีผู้ดูแลทุกอย่างให้หมด mm. เช่นการได้บวชเป็นพระภิกษุ mm. ก็จะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเก็บเงินทองเอาไว้ผู้ที่ออกบวชเป็นพระภิกษุจึงสละสมบัติเข้าของเงินทองไปหมดไม่ต้องมีเก็บเอาไว้เพราะว่าไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินทองอีกต่อไป เพราะว่ามีผู้ที่จะคอยสนับสนุนในเรื่องปัจจัยสี่อาหารก็ได้จากการบินทบาตจีวรก็มีคนถวายเป็นผ้า ป, ป่าเป็นกระถินยารักษาโรคก็มีศรัทธาถวายอยูอย่างต่อเนื่องที่อยู่อาศัยก็มีกุติมีสหลามี ป่าเขาไว้เป็นที่อยู่แล้วจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีเงินทองไว้ใช้อถ้าบวชเป็นพระภิกษุก็สามารถที่จะสละเงินทองที่มีอยู่ทั้งหมดให้แก่ผู้อื่นไปได้แต่ถ้าบวชเป็นแม่ชีหรือบวชเป็นผู้ที่ถือศีลแปด ยังจำเป็นจะต้องหาปัจจัยสี่ด้วยตนเองเพราะไม่มีใครมาคอยสนับสนุนในเรื่องปัจจัยสี่ก็จำเป็นจะต้องมีทรัพย์ไว้สำหรับดูแลส่วนนี้ก็จำเป็นจะต้องเก็บทรัพย์ไว้ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะได้เอาไว้ใช้ในการ หาปัจจัยสี่มาให้แก่ร่างกายเพื่อร่างกายจะได้อยู่อย่างปกติเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพการทำทานก็จะต่างกันไปคือการสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองถ้าออกบวชเป็นพระภิกษุก็จะสละไปหมดถ้าบวชเป็นแม่ชี เป็นผู้ถือสินแปกก็จําเป็นจะต้องมีทรัพย์ไว้ส่วนหนึ่งไว้สำหรับดูแลเรื่องปัจจัยสี่นี่คือเรื่องของการปฏิบัติขั้นฐานคือจะไม่เก็บเงินเก็บทองไว้สำหรับใช้ในการหาความสุขแบบที่เคยหามาเช่นหาความสุขด้วยการ ไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานไปที่อาตามสถานที่ต่างๆเพราะความสุขแบบนี้ไม่ใช่เป็นความสุขที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้แต่จะเป็นความสุขที่จะเพิ่มความทุกข์ภายในใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเพราะว่าเวลาที่ไม่สามารถหาความสุขต่างๆแบบนี้ได้ ใจก็จะมีแต่ความทุกข์เหตุปัจจัยที่ทำให้เราไม่สามารถหาความสุขต่างๆแบบนี้ได้ก็มีหลายอย่างด้วยกันเช่นเวลาขาดเงินขาดทองขึ้นมารายได้ไม่พอกับรายจ่ายอันนี้ก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาได้จะไม่สามารถหาความสุขตามที่เคยหาได้หรือว่า ร่างกายที่ใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขคือตาหูจมูกเล่นกายอาจจะชำรุดทุดโทรมเสื่อมไปตามไว้ตามการตามเวลาก็จะไม่สามารถหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกเล่นกายได้ตอนนั้นความสุขที่เคยได้มาก็จะกลายเป็นความทุกข์ไป นี่คือความทุกข์ที่จะเกิดจากการใช้เงินเพื่อหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายผู้ฉลาดจึงเห็นภัยของความสุขแบบนี้จึงพยายามลดละไม่หาความสุขแบบนี้มีเงินทองก็ไม่เก็บเอาไว้เป็นเครื่องมือสำหรับการหาความสุขแบบนี้ พอเป็นการหาความทุกข์มากกว่าหาความสุขนั่นเองจึงนำเอาไปแบ่งปันแจกจ่ายแก่ผู้ที่เดือดร้อนขาดแคลนในปัจจัยสีเรียกว่าเป็นการทาทานแทนที่จะเอาเงินไปหาความสุขในรูปแบบต่างๆก็เอามาทำทานแทนเวลาทำทาน แล้วก็จะได้ความสุขเนแบบหนึ่งคือความสุขใจความสุขใจที่เกิดจากการได้ลดละความอยากความโลกต่างๆให้น้อยลงไปนั่นเองความโลกความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจพอความโลกความอยากได้ถูกลดกำลังลงไปลดจำนวนลงไป ความทุกข์ใจก็จะมีน้อยลงไปความสุขใจก็จะมีมากเพิ่มขึ้นมานี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติทำขั้นทานก็คือจะได้ความสุขใจมากขึ้นจะลดความทุกข์ใจให้น้อยลงไปเช่นเดียวกับการปฏิบัติขั้นสี คือการละเว้นจากการทำบาปละเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดเวณีพูดปลดเศษสุลายาเมาเวลาเราไม่ทำบาปใจของเราก็จะลดความอยากลงไปความอยากก็จะน้อยลงไปความทุกข์ก็จะน้อยลงไปความสุขใจก็จะเพิ่มขึ้นมา นี่คือวิธีของการนำธรรมะเข้ามาสู่ใจต้องทำด้วยการปฏิบัติอ่านหนังสือธรรมะเฉยๆฟังธรรมะเฉยๆแล้วไม่ได้ไปปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับได้ยามาแล้วไม่เอายามารับประทานยานั่นก็จะไม่สามารถทำหน้าที่รักษา โรคภัยแค่เก็บของร่างกายได้ธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังก็เช่นเดียวกันได้อ่านหนังสือธรรมะก็เช่นเดียวกันฟังแล้วอ่านแล้วไม่นําเอามาปฏิบัติไม่เอามาลดจลํานวนของความโลภของความหยากให้น้อยลงไปมันก็จะไม่ทําให้ความทุกข์ใจน้อยลงไป ไม่ได้ทำให้ความสุขใจมีเพิ่มมากขึ้นไปแต่ถ้าเรานำเอามาปฏิบัติเราก็จะลดความโลภความอยากให้น้อยลงไปลดความทุกข์ให้น้อยลงไปแล้วเพิ่มความสุขใจให้เพิ่มมากขึ้นไปทุกครั้งที่เราทำทานเราจะได้ความสุขใจเพิ่มมากขึ้นไปเราจะลดความอยาก ใช้เงินซื้อความสุขในรูปแบบต่างๆน้อยลงไปทุกครั้งที่เรารักษาศีมได้ก็เช่นเดียวกันเราก็จะลดความอยากให้น้อยลงไปได้เราก็ลดความทุกข์ภายในใจให้น้อยลงไปเพิ่มความสุขภายในใจให้มีมากขึ้นไปแล้วถ้าเราอยากจะ เพิ่มความสุขใจให้มีเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องปฏิบัติทำขั้นที่สามคือขั้นภาวนาการจะปฏิบัติทำขั้นที่สามได้สิ่งที่เราเคยรักษาคือสีลห้าก็ต้องเพิ่มเป็นสินงแปดเพราะสีลห้านี้จะไม่มีกําลังพอที่จะสนับสนุนให้การภาวนาเป็นไปได้อย่างสะดวกราบรื่น เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจึงต้องรักษาศีแปกันถ้าเราอยากจะเจริญจิตภาวนาคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเราจําเป็นจะต้องมีเครื่องมือที่สนับสนุนมากกว่าศีห้าเพราะศีหานี้ยังไม่สามารถที่จะกําจัดความอยาก ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัคยังไม่สามารถห้ามความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัคได้ผู้ถือผู้ถือสินห้ายัางหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกเล่นกายได้เช่นศินข้อสามก็คือการเมสมิจฉาจาราเวรมณีก็คือการไม่ประพฤติผิดประเวณีความหมายก็คือ ยังร่วมหลับนอนอยังหาความสุขด้วยการเสพการได้อยู่เพียงแต่ว่าต้องร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนเท่านั้นคือสามีหรือภรรยาของตนแต่ถ้าถ้าไม่รักษาสีนแปดแทนที่จะเอาเวลาไปปฏิบัติสมถภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมก็จะเอาเวลานี้มาร่วมหลับนอน กับคู่ครองของตนถ้าอยากจะมีเวลาภาวนาก็ต้องงดกิจกรรมนี้ไปก็คือต้องเปลี่ยนสินข้อสามจากกาเมสุมิชาจาราเวรมณีมาเป็นอัปมจัจจิราเวรมณีคือถือสินพรหมจันทร์คือไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตน พอไม่ต้องร่วมหลับนอนกันก็จะมีเวลาที่จะมาเจริญสมถะภาวนาได้มาเดินจงกรมมานั่งสมาธิได้นี่คือประโยชน์ของการรักษาสิงหนะ์แปดในสิล์ข้อที่สามและในสิล์ข้อที่หกก็คือการไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะช่วยกำจัดกามฉันทะ เกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารลงไปคือความอยากรับประทานอาหารก็จะถูกบีบถูกกันไว้ให้มีได้แต่เฉพาะเวลาก่อนเที่ยงวันเท่านั้นพอหลังจากเที่ยงวันจะแล้วความอยากรับประทานอาหารก็จะไม่มีความหมายไปเพราะไม่สามารถที่จะรับประทานตามความอยากได้ถ้าถือศีลข้อ6 คือไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วเมื่อไม่รับประทานอาหารมากท้องก็จะเบาร่างกายก็จะเบาเวลานั่งสมาธิก็จะไม่ง่วงเหงาหงานอนแต่ถ้ายังไม่ได้ถือศีลข้อหกนี้อยู่เพียงถือถือเพียงศีลห้าข้อก็ยังรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปได้ก็ยังจะมาเสียเวลากับการหา ขนมนมในหาอาหารต่างๆรับประทานไปจนถึงเวลานอนก็จะไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติทำเดินจงกรมนั่งสมาธิได้ถ้าจะมานั่งสมาธิก็จะง่วงเหงาๆนอนนั่งแล้วก็สับประหนกหรือถ้าจะเดินจงกรมก็ไม่อยากจะเดินเพราะมันขี้เกียจเพราะกินอิ่แล้วมันสบายไม่อยากจะทำอะไร อยากจะนอนเพียงอย่างเดียวนี่คือหน้าที่ของศีลข้อหคือจะช่วยกำจัดความอยากในการรับประทานอาหารรับประทานขนมนมเ น, นยและเครื่องดื่มอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นต่อการดูแลรักษาร่างกายร่างกายนี้ได้รับการดูแลพอแล้วถ้าเราได้รับประทานอาหาร ตอนก่อนเที่ยงวันไปอาหารนี้ก็พอที่จะดูแลรักษาร่างกายให้อยู่อย่างปกติสุขได้จนถึงวันรุ่งขึ้นไม่จำเป็นจะต้องรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วความหิวของการที่ไม่ได้รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดที่ร่างกายแต่เกิดที่ใจ เกิดที่ความอยากจะรับประทานอาหารร่างกายเราเราให้อาหารเต็มที่แนละ้วก่อนเที่ยงวันนั้นความหิวของร่างกายไม่มีแต่ยังมีความหิวของใจอยู่อันนี้ตังหากที่เราจะต้องมาแก้มากําจัดให้ได้คือความหิวทางใจที่เกิดจากกามฉันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของอาหาร วิธีแก้ก็คือเราก็ต้องทําใจให้สงบ ด, ด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงอาหารต่างๆเพราะเวลาคิดแล้วก็จะเกิดความหิวขึ้นมาหรือว่าถ้าอยากจะคิดถึงเรื่องอาหารก็ให้คิดถึงอาหารที่อยู่ในสภาพที่ไม่น่ารับประทานเช่นเวลาอาหารเข้าไปในปาก ถูกขบถูกเคี้ยวผสมกับน้ำลายแล้วจะดูเสว่ามันน่ารับประทานไหมให้นึกถึงสภาพของอาหารที่อยู่ในปากหรืออาหารที่เข้าไปอยู่ในท้องแล้วหรืออาหารที่ออกมาจากทางร่างกายแล้วดูถ้าเราคิดถึงอาหารในรูปแบบต่างๆเหล่านี้ความหิวความอยากจะรับประทานอาหารก็จะหายไปได้ นี้คือวิธีแก้อุปสรรคที่จะมาขัดขวางในการน้อมนำเอาธรรมะเข้าสู่ใจของเราเราจะเจออุปสรรคอันนี้กันทุกคนคือความอยากรับประทานอาหารกันแต่ถ้าเรามีเครื่องม้เครื่องมือเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องอาหาร ความหิวทางใจก็จะไม่มีหรือถ้าต้องการกำจัดความหิวทางใจอย่างถาวรทุกครั้งที่คิดถึงอาหารก็ให้คิดถึงอาหารที่อยู่ในปากที่ถูกเคี้ยวถูกบดด้วยฟันหรืออาหารที่เข้าไปอยู่ในท้องหรือเวลาอาหารที่ถูกขับถ่ายออกมาจากร่างกายถ้าเห็นสภาพของอาหารเหล่านี้แล้ว ความหิวความอยากก็จะหายไปการรักษาศีลก็หกก็จะรู้สึกไม่มีอุปสรรคไม่เป็นปนัญหาแต่อย่างใดถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการต่อสู้กับความหิวทางใจแล้วก็จะไม่สามารถที่จะรักษาศีลข้อหกกี้ได้นี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้อง สร้างขึ้นมาให้ได้เพื่อที่จะได้เป็นเครื่องมือที่จะดึงธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เข้าไปสู่ในใจของเราเพื่อไปทำลายความโลภความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆภายในใจของเราให้หมดไปเราต้องถือศีลข้อหรคือละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว ถ้าเรายังมีปัญหาจากการห่วงเหงาเหานอนเยอะเราก็อาจจะต้องลดปริมาณของการรับประทานอาหารลงไปคือถึงแม้ว่าจะไม่รับประทานหลังเที่ยงวันไปแล้วแต่ยังรับประทานมากเกินไปเช่นรับประทานสองมือ้อเช้ามื้อหนึ่งกลวันมื้อหนึ่งเราก็ควรจะลดให้เหลือเพียงมื้อเดียวถ้าลดมื้อเดียวแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องความ่วงเหงาหานอนเยอะ ก็ต้องลดปริมาณเอาลงผ่อนอาหารลงไปรับประทานเพียงครึ่งเดียวของปริมาณที่เราเคยรับประทานยอมให้หิวบ้างเพื่อที่จะได้ภาวนาอย่างสบายไม่ง่วงเหงาเหงานอนไม่เกียจคร้านเวลาหิวทางใจก็ให้คิดถึงอาหารที่ไม่น่ารับประทานคิดถึงลักษณะของอาหารที่ไม่น่ารับประทาน ก็จะระ ง, งับดับความหิวทางใจได้พอไม่มีความหิวทางใจความหิวทางร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหาเพราะเป็นส่วน ย, ย, ย่อยความหิวทางร่างกายไม่ทรมานเหมือนกับความหิวทางใจถ้าเราสามารถดับความหิวทางใจได้ความหิวทางร่างกายจะไม่เป็นปัญหาอะไ จะอดอาหารถึงสี่สิบเก้าวันอย่างที่พระพุทธเจ้าได้สังอดมาก็าไม่เป็นปนัญหาแต่อย่างใดอดได้ไม่ตายที่ทำที่อดกันไม่ได้ก็คือความหิวทางใจกันถ้ามีความหิวทางใจแล้วไม่รู้จักวิธีดับความหิวทางใจนี้รับราได้ว่าจะถือศีลหกข้อหกนี้ไม่ได้หรือจะอดอาหารไม่ได้ผ่อนอาหารไม่ได้ หรือรับประทานอาหารวันละมือไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องมือไว้ทําลายความหิวทางใจนี้แต่ถ้าเรามีเครื่องมือรับรองได้ว่าความหิวทางใจจะไม่เป็นอุปสรรคแล้วจะทำให้การภาวนาของเรานี้จะิานก้าวหน้าเพราะว่าจะไม่มีความเกียดฟานและเวลานั่งก็จะไม่มีความง่วงเหงาเหาหนอน จะมีสติพร้อมบริบูรณ์สติที่จะคอยควบคุมความคิดต่างๆให้สงบตัวลงไปพอความคิดสงบตัวลงไปใจก็จะเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ใจก็จะได้พบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่ดีกว่าความสุขทั้งหลายความหิวของทางร่างกายนี่จะหายไปอันตรธานไปเวลาได้พบกับความสุขทางใจอย่างเต็มที่ เพราะพลานุภาพของความสุขทางใจนี้มันมีกำลังมากทำให้ความทุกข์ทางร่างกายนี้หายไปหรือไม่มีความหมายต่อใจอันนี้คือผลที่เราต้องการกันก็คือธรรมะภายในใจผลของธรรมะภายในใจก็คือความสงบความเย็นความสบายความเป็นหนึ่ง ความเป็นอุเบกขาสัตว์แบบว่ารู้อันนี้ลนะเป็นความสุขที่เกิดเป็นผลที่เกิดจากการมีธรรมะอยู่ภายในใจการจะเอาธรรมะเข้าไปภายในใจก็ต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาอย่างที่ได้แสดงไว้นี่เป็นธรรมะระดับขั้นที่ ความสงบขั้นที่หนึ่งคือยังเป็นความสงบที่ไม่ถาวรเพราเวลาออกจากสมาธิมาความสงบนี้ก็มีโอกาสที่จะจางหายไปได้ถ้าปล่อยให้เกิดความอยากขึ้นมาทําลายความสงบนี้เวลาออกมาจากสมาธิจึงต้องคอยควบคุมความคิดต่อไปไม่ให้คิดไปในทางที่จะทําให้เกิดความอยากขึ้นมา เป็แม่ไปคิดถึงอาหารที่อยากจะรับประทานถ้าไปคิดถึงอาหารที่อยากจะรับประทานก็จะทําให้เกิดความอยากรับประทานขึ้นมาเกิดความหิวทาใจขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมามากรบความสงบที่ได้รับจากการทําใจให้สงบถ้าอยากจะรักษาความสงบของใจไว้ต่อไปก็ต้องไม่ทําตามความอยาก ต้องไม่คิดถึงความอยากต่ตางๆพอคิดก uh ็ต้องมีวิธีแก้พอคิดถึงความอยากจะรับประทานอาหารก็ต้องคิดถึงอาหารที่ไม่น่ารับประทานพอคิดถึงอาหารที่ไม่น่ารับประทานก็จะรับประทานไม่ลงจะไม่อยากรับประทานความอยากรับประทานก็จะหายไปเช่นเดียวกับความอยากต่างๆเวลาเกิดขึ้น ถ้าเราพิจารณาถึงความทุกข์ที่จะได้จากการไปทําตามความอยากเราก็จะทําหยุดความอยากได้เช่น mm hmm. <Jadi, S 2> เราอยากไปม mm ีแฟนถ้าเราคิดถึงความทุกข์ที่จะตามมาจากการมีแฟนเราก็จะหยุดความอยากได้ mm hmm. คิดอย่างไรจึงจะหยุดความอยากได้ mm hmm. ก็คิดถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของแฟนมาทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ไม่เทียงแท้แน่นอนไม่มั่นคงเหมือนเดิมไปตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้เวลาพบกันใหม่ๆเวลาเจอกันใหม่ๆก็รักกันชอบกันดีแต่เวลาอยู่กันไปเจอกันไปนานเข้านานเข้าความรักนั้นก็จางไปได้หายไปได้ความไม่รักไม่ชอบก็เกิดขึ้นมาได้เพราะนี่คือ ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่ามีความไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงได้เวลารักกันก็ยอมกันทุกอย่างต่างคนต่างเอาใจกันแต่พอเวลาไม่รักกันนี้ก็อะไรนิดอะไรหน่อยก็ยอมกันไม่ได้ต่างคนต่างจะเอาใจของตัวตัวเองเป็นใหญ่พอต่างฝ่ายต่างเอาใจของตนเอง เป็นใหญ่ก็จะต้องเกิดการประทะกันเกิดการทะเลาะวิวาสกันความสุขที่เคยได้รับจากการรักสามัคคีกันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือความแม่นแน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่างมีเจริญก็มีเสื่อมได้มีรักก็มีช่างได้ถ้าไม่เช่นนั้นคนยำ อย่าร่างกันทำไมที่อย่าร่างกันก็เพราะว่าคนได้เปลี่ยนไปแล้วทั้งสองฝ่ายเคยรักกันก็กลายเป็นมาเกลียดกันไม่ชอบกันขึ้นมาเมื่อเกลียดกันไม่ชอบกันขึ้นมาก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ก็ยแยกทางกันถ้าแยกทางกันไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้อยู่กันอย่างมีความสุขอยู่กันอย่างมีความทุกข์ นี่คือการพิจารณารมให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่ใจหลงไปอยากได้อยากมีอยากเป็นให้เห็นว่าทุกอย่างที่ได้มาจะต้องมีการเปลี่ยนไปเวลาเกิดการเปลี่ยนไปก็เป็นเวลาที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจทรมานใจถ้าคิดได้อย่างนี้ทุกครั้งเวลาเกิดความอยาก ก็จะไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ไม่ทําตามความอยากความอยากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะหายไปจะไม่มีความอยากเกิดขึ้นมาภายในใจพอไม่มีความอยากใจก็จะสงบเหมือนเดิมเหมือนจากตอนที่อยู่ในสมาธิ นี่คือการรักษาความสงบความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ได้จากความสงบหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วก็คือต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าการทําตามความอยากนี้เป็นการเดินเข้าหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการเดินออกจากความทุกข์เป็นการเพิ่มความทุกข์ให้มีต่อไป ให้กลายเป็นความทุกข์เรื้อรังอย่างที่พวกเรามีกันอยู่ทุกวันนี้พวกเรามีความทุกข์เรื้อรังอยู่ตลอดเวลาเพราะเรายังหยุดความอยากต่างๆไม่ได้เวลาอยากได้อะไรเราก็ไปหาสิ่งที่เราอยากได้พอหามาได้แล้วก็เกิดความติดพันขึ้นมาต้องหามาอยู่เรื่อยๆเวลาไม่มีก็เป็นเวลาที่ ทุกข์ใจทรมานใจนี่คือเรื่องของการใช้ปัญญาในการที่จะควบคุมความอยากรลอะละความอยากให้หมดไปจากใจถ้าไม่มีความอยากอยู่ภายในใจแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ใจจะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขใจไปตลอดเหมือนกับร่างกาย ถ้าไม่มีเชื้อโรคอยู่ภายในร่างกายร่างกายก็จะไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเชื้อโรคหมดไปได้ก็เพราะยาที่หมอให้มาถ้ารับประทานเข้าไปในร่างกายยาก็จะไปทําลายเชื้อโรคต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายให้หมดไปพอไม่มีเชื้อโรคอยู่ภายในร่างกายก็จะไม่มีวันเจ็บไข้ได้ป่วย ฐานใดใจก็เหมือนกันใจเราก็ต้องเอาธรรมโอสถที่เป็นธรรมภายนอกใจที่เกิดจากการอ่านหนังสือธรรมเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็น้อมเอาไปปฏิบัติปฏิบัติทานปฏิบัติสิงปฏิบัติภาวนาพอปฏิบัติแล้วธรรมที่อยู่ภายนอกใจก็จะเข้าไปสู่ภายในใจ พอธรรมะอยู่ภายในใจธรรมะก็จะทําหน้าที่ดับความทุกข์ใจต่างๆได้หมดธรรมะจะทําหน้าที่ทําลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจไปได้หมดพอไม่มีความอยากต่างๆภายในใจแล้วใจก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขไปตลอดนี่คือความแตกต่างระหว่างธรรมะภายนอกใจ ธรรมะภายในใจธรรมะภายนอกใจยังไม่สามารถดับความทุกข์ใจเพราะยังไม่สามารถตัดความโลภความโกรธความหลงตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ต้องน้อมเอาธรรมะภายนอกใจเข้าไปสู่ภายในใจด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนา พอปฏิบัติทานศีลภาวนาแล้วธรรมะก็จะเข้าไปสู่ใจเข้าไปทําลายความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเช่นความอยากในรูปเสียงกลิ่นโลภโกรธชพบะความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นพอความอยากเหล่านี้ถูกทําลายไปหมดพอความโลภความโกรธความหลงถูกทําลายไปหมด ใจก็จะหายจากความทุกข์จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปไม่ยางไม่มีวันสิ้นสุดใจเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันตายใจก็จะอยู่อยา่างมีความสุขไปตลอดเรียกว่าปลมังสุขขังความสุขที่สูงสุดความสุขที่ยิ่งใหญ่ก็คือความสุขที่ไม่มีวันหมดความสุขที่ไม่มีความทุกมา เกี่ยวข้องด้วยไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้รับผ่านทางร่างกายเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขเชื่อประเดียวประดาวเวลาเราได้ดื่มได้รับประทานเราก็มีความสุขพอผ่านไปแล้วความสุขนั้นก็หายไปความอยากดื่มอยากรับประทานก็เกิดขึ้นมาใหม่ก็ต้องไปหาดื่มหารับประทานกันใหม่ ถ้าไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานก็กลายเป็นความทุกข์ไปใจก็ทุกข์ทรมานนี่คือความสุขที่พวกเราทุกวันกาลังแสวงหากันอยู่เราหาความสุขแบบนี้ความสุขชัว่วคราวความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ตลอดเวลาเวลาที่ปัจจัยที่จะทำให้เกิดความสุขนั้นขาดไปเวลาขาดทรัพ ความทุกข์ก็ตามมาเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ก็ตามมาแต่ความสุขทางใจนี้ไม่ต้องอาศัยปัจจัยอื่นมาประกอบเป็นองค์ประกอบร่างกายจะป่วยจะเจ็บไข้ได้ป่วยความสุขนี้ก็ยังมีอยู่ได้จะไม่มีเงินไม่มีทองก็ยังมีความสุขภายในใจได้ เพราความสุขภายในใจไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนั่นเองดังนั้นร่างกายจะแก่ลงไปจะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอมาะเพิกอมภะพิ ก, พพกนพิการก็จะไม่มีผลกระทบต่อความสุขภายในใจที่เกิดจากการน้อมเอาธรรมะภายนอกใจเข้าสู่ภายในใจทำให้ธรรมะภายนอกใจให้เป็นธรรมะภายในใจให้ได้ ถ้ามีธรรมะอยู่ภายในใจแล้วก็จะมีที่พึ่งจะมีความสุขท่ามกลางความทุกข์ของสิ่งต่างๆความทุกข์ของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เสื่อมหมดไปความทุกข์ของร่างกายที่แก่เจ็บตายจะไม่ทาให้ใจเกิดความทุกข์ตามไปด้วยเลยจะมีแต่ทำให้ใจนี้มีความสงบมีความสุขไปเรื่อยๆตลอดเวลา ไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นเวลาที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะภายนอกเราก็ต้องน้อมเอาเข้ามาปฏิบัติเอามาเอาธรรมะภายนอกให้เข้ามาสู่ภายในใจของเราให้ได้เวลาเราไปปฏิบัติเราก็ไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับธรรมะภายนอกบางทีเราไปปฏิบัติพอได้ข่าวว่ามีพระอาจารย์รูปนั้นรูปนี้มา ก็ออกมาจากการปฏิบัติเพื่อที่จะไปฟังไปกราบไปฟังธรรมของท่านก็เป็นธรรมอันเดียวกันกันกบที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังมาแล้วฟังซ้ำกันอีกมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสู่อยู่ในป่าอยู่ในที่สงบสงัดนิเวศแล้วภาวนาเพื่อน้อมเอาธรรมะภายนอกใจให้เข้าไปสู่ภายในใจจะดีกว่าแทนที่จะออกจากสถานที่ปฏิบัติ แล้วก็ไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ไปฟังเทศฟังธรรมมันก็เป็นธรรมะภายนอกเหมือนกันธรรมะภายนอกเรามีพอแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องปฏิบัติอะไรสิ่งที่เราขาดก็คือธรรมะภายในเราควรที่จะมุ่งไปสู่การสร้างธรรมะภายในกันถ้าเรามีธรรมะภายนอกแล้วเราได้ยินได้ฟังมาพอสมควรแล้ว เรารู้แล้วว่าเราต้องปฏิบัติอะไรเราควรจะพุ่งไปสู่การปฏิบัติจะดีกว่ามัวไปคอยฟังธรรมะภายนอกอยู่เรื่อยๆฟังกี่กี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งท่านก็สอนให้เราไปปฏิบัติเหมือนกันดังนั้นเราต้องอย่าลืมเวลาที่เรากำลังปฏิบัติอย่าให้กิเลสมันหลอกให้เราหยุดการปฏิบัติแล้วก็ไป หาธรรมะภายนอกด้วยการไปกราบครูบาอาจารย์ไปฟังเทศน์ฟังธรรมของท่านไม่เกิดประโยชน์มากเท่าไหร่ก็จะยังเป็นธรรมะภายนอกอยู่สู้การปฏิบัติเพื่อ น, น้อมเอาธรรมะภายนอกให้เข้าไาเป็นธรรมะภายในใจจะดีกว่าเพราะธรรมะภายนอกใจดับความทุกข์ไม่ได้ตัดกิเลสไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้ ต้องเป็นธรรมะภายในใจถึงจะดับความทุกข์ได้ละกิเลสได้ตัดความอยากต่างๆได้นนอกจากการไปหาครูบาอาจารย์เนื่องจากเวลาปฏิบัติแล้วมีอุปสรรคติดอยู่ตรงนั้ น, ต, ต, น, นติดอยู่ตรงนี้เท่านั้นถึงจะควรไปหาธรรมะภายนอกมาเสริมเวลาเราปฏิบัติแล้วเราไม่ก้าวหน้าไม่คืบหน้าเราติดตรงนั้นติดตรงนี้ ไม่เข้าใจไว้วิธีที่จะก้าวผ่านจุดนี้ไปได้อย่างนี้ถึงสมควรที่จะไปหาธรรมะภายนอกไปฟังเทศฟังธรรมหรือไปถามผู้รู้ว่าถึงตรงนี้แล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปพอไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะก้าวหน้าต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้ถึงควรจะไปหาธรรมะภายนอกมาเสริม การสร้างธรรมะภายในใจแต่ถ้าเราสามารถปฏิบัติไปได้เรื่อยๆไม่มีอุปสรรคไม่ติดขัดตรงไหนเราก็ไม่ควรที่จะออกไปหาธรรมะภายนอกควรจะพุ่งไปสู่การสร้างธรรมะภายในต่อไปยกเว้นกรณีถ้าเราได้อยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์อยู่ในสำนักเดียวกันแล้วท่านเรียก มาอบรมเป็นครั้งเป็นคราวการไปอย่างนี้ก็ไปได้เพราะว่าเป็นการเสริมกำลังใจเป็นการให้กำลังใจเวลาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ที่ได้ผ่านการปฏิบัติมาแล้วท่านจะมีวิธีพูดที่จะทำให้เราเกิดกำลังใจที่จะปฏิบัติมากขึ้นไปได้ บางที่เราปฏิบัติตามลำพังนี้บางครั้งบางคราวก็อาจจะเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายขึ้นมาได้แต่พอได้ยินได้ฟังธรรมของครูบาอาจารย์ก็จะทําให้ความท้อแท้เบื่อหน่ายนั้นหายไปได้ทําให้เกิดฉันทะวิริยะขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์แต่ไม่ใช่ให้เดินทางไปไกลเสียเวลาเป็นวัน อย่างนี้ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรอย่างนี้ก็ควรแก้ปัญหาด้วยตัวเองเกิดความท้อแท้ก็ให้นึกถึงคำสอนของครูบาอาจารย์ขึ้นมาก็ได้ถ้านึกถึงคำสอนของท่านได้ความท้อแท้เบื่อหน่ายนั้นก็หายไปได้เหมือนกันเป็นเวลาท้อแท้เบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าให้นึกถึงการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าให้นึกถึงการปฏิบัติของพระ สงสาวกทั้งหลายว่าท่านก็มีความท้อแท้เบื่อหน่ายเหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่มันก็ไม่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเอามาเป็นอารมณ์ใค่รู้ว่าเราท้อแท้แต่เราก็อย่าไปสนใจเรามีหน้าที่ภาวนาของเราเราก็ภาวนาต่อไปเรามีหน้าที่จัดการสติบริกรรมพุทโธก็พุทโธไปมีหน้าที่นั่งสมาธิก็นั่งสมาธิไป มีหน้าที่พิจารณาทางปัญญาก็พิจารณาไปอย่าปล่อยให้อารมณ์ความท้อแท้เบื่อหน่ายมากัดกินจิตใจของเราพยายามทําหน้าที่ของเราต่อไปเดี๋ยวอารมณ์ท้อแท้เบื่อหน่ายนั้นก็จางไปได้หายไปได้นี่คือเรื่องของความแตกต่างระหว่างธรรมะภายนอกกับธรรมะภายใน ธรรมะภายนอกยังทำลายความทุกข์ทำลายกิเลสไม่ได้แต่ก็เป็นธรรมะทีส่สำคัญที่จะต้องมีก่อนเพราะถ้าไม่มีธรรมะภายนอกก็จะไม่รู้วิธีที่จะเข้าไปเอาธรรมะเข้าไปภายในใจทาให้เกิดธรรมะภายในใจขึ้นมาธรรมะภายนอกใจก็เป็นเหมือนสะพานที่จะเชื่อมให้ธรรมะภายในใจเกิดขึ้นมา เราก็ต้องศึกษาธรรมะภายนอกก่อนได้ยินได้ฟังธรรมะไว้บ่อยๆฟังอยู่เรื่อยๆฟังจนเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าเราต้องปฏิบัติอย่างไรพอเรารู้แล้วว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่างนั้นเราก็ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติธรรมะก็ยังจะไม่เกิดขึ้นภายในใจถ้าธรรมะภายในใจยังไม่เกิดขึ้นการดับ ความทุ ก, ก, กขกตกกก์ต่างๆก็ยังจะไม่เกิดขึ้นการตัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆก็ยังจะไม่เกิดขึ้นชีวิตของเราก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิ ม, มก็ย์มีกิเล์ปัญหาความโลภความโกรธความหลงความอยากอย่างไรก็ยังมีอยู่แบบเดิมอยู่เพราะว่าเราไม่น้อมเอาธรรมะภายนอกเข้าสู่ภายในใจเพื่อที่จะได้เอามาทําลาย ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆภายในใจให้หมดไปนั่นเองดังนั้นหลังจากที่เราได้รับธรรมะภายนอกแล้ว <c oughs> ขั้นต่อไป <c oughs> เราก็ต้องแปลงธรรมะภายนอกให้มาเป็นธรรมะภายในเพื่อที่จะได้ดับความทุกข์ต่างๆภายในใจให้หมดไปเพื่อที่จะสร้างความสุขที่ท้าวบน ให้แก่ใจต่อไปการแส ด, แดงก็คิดว่าพอสมควรก่เวลา <c oughs> จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุระปลิปุเรนติสากลังเอวามีวิโตทินางเปตานาังอุปกปติ อิชิตังปัติตังตุ მ หังคิปะเมวะสนมมิจตุสัพเเปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาระโสยถามาณิโชติระโสยถาสัพพิตโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโย สุขีทีขายุโกภาวะอาิีวาธนสีริสานิจังวุธาปจายโนจตารธรรมาวทาติอายุวันูสุขาังพาลา ต่อไปนี้ก็จะมีการถามต่อปัญหาธรรมะกันท่านผู้ใดยอยากจะมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ถามได้ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางอินเทอร์เน็ตถามเข้ามาครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับ คำถามแรกนะครับจากคุณแก้วนะครับขนาดนั่งสมาธิได้สักทักวูบเหมือนหลับในทำให้สะดุ้งแก้อย่างไรดีรลุกขึ้นมาเดินก่อนลุกขึ้นมาเดินแล้วค่อยกลับไปนั่งใหม่ถ้ายังเป็นเหมือนเดิมอยู่ก็อาจจะต้องลดการรับประทานอาหารให้มันน้อยลงไป อดอาหารก็ได้อย่างที่ได้แสดงไว้ในธรรมะเมื่อก่อนหน้านี้การลดการรับประทานอาหารก็จะทำให้การง่วงเหงาหงานอนนี้หายไปได้ถ้าไม่ชอบการอดอาหารก็อาจจะต้องไปหาที่อยู่ที่น่ากลัวเช่นไปนั่งอยู่ในปาา่าช้าอยู่ไปนั่งอยู่ ใ, ใกล้แถวเมน ก็อาจจะทำให้ไม่ง่วงนอนก็ได้คำถามข้อต่อไปนะครับความอยากในการปกป้องธนูบำรุงพระพุทธศาสนาหรือมีส่วนในการดูแลกฎเป็นอยากดีหรืออยากกิเลสมันอยู่ที่ฐานะของเราว่าเรามี สมรรถภาพมีความสามารถที่จะปกป้องรักษาพระศาสนาได้หรือไม่การกระทำของเราแทนที่จะเป็นการปกป้องอาจจะเป็นการทาลายศาสนาโดยไม่รู้ตัวก็ได้วิธีที่จะปกป้องรักษาศาสนาให้ถูกก็ต้องแบบที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านปกป้องกัน ก็คือท่านปฏิบัติตอนเองให้เป็นตัวอย่างที่ดีอันนี้จะเป็นวิธีที่รักษาพระศาสนาไว้ได้อย่างถูกต้องถ้าจะปกป้องด้วยการไปทาสงครามอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการปกป้องที่ถูกทางดูพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นตัวอย่างท่านปฏิบัติอย่างไรท่านสอนให้เราปฏิบัติอย่างไร ขอให้เราปฏิบัติอย่างนั้นถ้าเราอยากจะปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาขอให้เรามาบวชมาปฏิบัติธรรมกันไม่ใช่ไปถกไปเถียงปากเปียปกยปากฉีกกับคนนั้นคนนี้อันนั้นไม่ใช่เป็นวิธีปกป้องวิธีปกป้องก็คือทำตนเองให้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบุคคลที่น่าเคารวบบูชากลับไหว อย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายถ้าตราบใดมีพระพุทธเจ้ามีพระอาหารหันตสาวกอยู่ในโลกนี้รับรองได้ว่าโลกนี้พระพุทธศาสนาจะไม่หายจากโลกนี้ไปไม่มีใครจะสามารถทำลายพระพุทธศาสนาได้สิ่งที่จะทำลายได้ก็เป็นเพียงศาสนาวัตถุซึ่งเป็นเปลือกของศาสนาไม่มีความ สำคัญอะไรกับศาสนาศาสนานี้เริ่มต้นโดยปราศจากศาสนาวัตถุเริ่มต้นจากนักปราบบุรุษที่มีความเพียรพยายามที่จะค้นหาความจริงในเรื่องของการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในเรื่องของการดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจนี่คือที่เกิดของพระพุทธศาสนา การของศาสนาอยู่ตรงนี้ซึ่งไม่มีใครจะสามารถทําลายได้การจะทําลายศาสนาก็คือการไม่สนใจศึกษาและปฏิบัติตามพระพุทธพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นเองที่จะเป็นการทําลายศาสนาอย่างแท้จริงการรักษาของการรักษาศ า, าสนาอย่างแท้จริงก็คือรักษาด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการบรรลุธรรมขั้นต่างๆนี้เท่านั้น ดังนั้นนี่คือวิธีที่เราควรจะรักษาพระพุทธศาสนาถ้าเรามีความอยากแบบนี้เรียกว่าเป็นความอยากดีเป็นมกักแต่ถ้าเราอยากจะรักษาศาสนาด้วยการสร้างกองทัพขึ้นมาสร้างอาวุธขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้ทําลายผู้ที่จะมาทำลายศาสนาอันนี้เป็นวิธีทําลายศาสนา ไม่ใช่เป็นวิธีรักษาศาสนาเพราะว่าการต่อสู้มันก็ต้องมีการแพ้มีการชนะเราชนะเขาวันนี้พรุ่งนี้เขาก็กลับมาชนะเราได้เวลาที่เราแพ้ก็เราก็จะถูกทำลายไปหมดแต่สิ่งที่เขาทำลายไม่ได้ไม่ว่าใครก็จะทำลายไม่ได้ก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแก่นของศาสนานี้ไม่มีใครทำลายได้ นอกจากผู้ที่ไม่สนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติให้เกิดแก่นของศาสนาขึ้นมาในท่านั้นเองถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุ ธ, ธรรมศาสนาก็จะหมดไปโดยปริยายไม่ต้องมีใครมาทำลายแตย่อย่างใดดังนั้นถ้าอยากจะอนุรักษ์ศาสนาอยากจะให้ศาสนานี้อยู่คู่กับโลกไปนาน ก็ต้องศึกษาต้องปฏิบัติแล้วก็ต้องบรรลุธรรมเท่านั้นอย่างที่มีคำตัดไว้ว่าตราบใดผู้ปฏิบัติทำสมควรกะรํายังมีอยู่ในโลกนี้ตราบนั้นพระอาหารหันต์จะไม่ปราศจากโลกนี้ไปนี่คือนี่คือหลักของการรักษ า, าศาสนาอยู่ที่การศึกษาการปฏิบัติและการบรรลุธรรม ข้อต่อไปนะครับได้อ่านมาว่าพระโพธิสัตว์บางชาติได้สละลูกให้แก่พระสงฆ์ในกรณีเช่นนี้หมายถึงหากมีลูกยอมสละให้บวชตลอดชีวิตเข้าสู่พระศาสนาโดยไม่ขัดขวางเหมือนกันหรือไม่ถ้าลูกก็อยากจะบวชล้วปล่อยให้เขาบวชก็เท่ากันเราอนุโมทนาเราส่งเสริมให้เขาไปในทิศทางที่ดี ให้เขาได้มีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะเรียกว่าเป็นแบบไหนก็ไม่รู้แ่ะจะเรียกว่าดีไ้ยก็เรียกว่าดีแบบที่พระพุทธเจ้าส่งเสริมให้พระลาหุ่นได้บวชเป็นสามมันเนตัต้งแต่อายุประมาณเจ็ดขวบอันนี้ก็เป็นการไม่ขัดขวางไม่ว่าจะเป็นลูกหรือเป็นภรรยาหรือเป็นสามีก็เช่นเดียวกัน ถ้าภรรยาอยากจะไปบวชชีก็ควรจะปล่อยให้เขาไปถ้าสามีอยากจะไปบวชเป็นพระก็ควรจะปล่อยให้เขาไปไม่ควรจะขัดขวางเพราะการปฏิบัติของเขานี่จะเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเขาเองและกับผู้อื่นต่อไปไม่มีใครจะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้ดีเท่ากับผู้ที่ปฏิบททัติธรรมจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้ว คำถามข้อต่อไปจากคุณโกโก้นะครับการขัดขวางผู้อื่นไม่ให้ทำกุศลกรรมเช่นไม่อยากไม่สนับสนุนให้ไปวัดทำทานสวดมนต์รักษาศีลหรือเจริญภาวนามีผลอย่างไรบ้างหากมีคนรู้จักที่ไม่ใช่บิดามารดาทาพฤติกรรมเช่นนี้ควรพูดกับเขาว่าอย่างไรหรือว่าเราควรปล่อยวางเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั้ง ถ้ไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับเชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาจะดีจะชั่วมันก็เป็นเรื่องของเขาให้คิดถึงหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคําถามข้อต่อไปจากคุณสุรพงศ์นะครับ แต่ไม่แน่ใจนะครับว่าถามถึงวัดไหนนะครับจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็ต้องเตรียมกายวาจาใจให้พร้อมกายวาจาก็คือต้องมีศีลมีวินัยสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดที่เราจะไปปฏิบัติได้ใจก็ต้องมีสติคอยควบคุมให้สงบไม่ให้คิดฟุง้งซ่าน ไปกับการมฉันทะต่างๆไม่ให้คิดถึงเรื่องกินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ให้คิดถึงการร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ให้คิดถึงเรื่องการหาความสุขทางบันเทิงต่างๆไม่ให้คิดถึงการเลื่อนการหลับนอนบนฟูกหนาๆบนเตียงใหญ่ๆอันนี้ก็คือสิ่งที่ควรจะเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ถ้าจะไปปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะไปวัดไหนก็ตาม จำเป็นจะต้องมีการสำรวมอินทรีย์สำรวมกายวาจาใจสำรวมกายวาจาด้วยศีลสำรวมใจด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิน้นกายด้วยการไม่ดูไม่ฟังรูปเสียงกลิ่นรสที่ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความไม่สงบขึ้นมา คำถามข้อต่อไปแต่คุณหญิงนะครับการนั่งสมาธินั่งหันไปทิศใดก็ได้ใช่หรือไม่และการตั้งพระบูชาหันหน้าพระพักของพระไปทิศใดอันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมก็แล้วกันเพราะทิศไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญสมมติว่าถ้ากาหนดว่าต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพราะว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่อินเดีย ถ้าเกิดห้องเราหันหน้าไปทิศตะวันตกวันหันเข้าไปห้องน้ําอย่างนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสมก็อันนี้มันไม่สําคัญอยู่ที่ความเหมาะสมอยู่ที่ความสวยงามไม่มีไม่มีมมนัยยะแต่อย่างใดไม่ได้ทําให้เกิดตุญมากขึ้นหรือเกิดบาปมากขึ้นแต่อย่างใดพระพุทธรูปมีไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาอย่างไรเพราะว่าพระพุทธรูปก็เป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งเท่านั้นเอง ไม่ต่างกับตุ๊กตาที่เราซื้อให้ลูกมาเล่นเพียงแต่ว่าเป็นพระพุทธรูปทำให้เราได้ระลึกถึงความดีงามของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองทำให้เราเกิดศรัทธาที่อยากจะศึกษาอยากจะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแต่พระพุทธรูปแห่งนี้ไม่สามารถดลบันดาลให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้ไม่สามารถทาให้เราขยันปฏิบัติทำได้ทั้งคืนทั้งวันได้ ดังนั้นมีจะมีพระพุทธรูปหรือไม่มียังไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญจะหันหน้าพระพุทธรูปไปทางทิศไหนทางไหนก็ไม่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติของเราทางกายวาจาวใจว่าเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนหรือไม่เท่านั้นเองคำถามข้อต่อไปจากคุณนัชชานะครับการสร้างพระหล่อพระแล้วได้บุญใหญ่ นั้นจริงหรือไม่ถ้าเทียบกับการลงมือปฏิบัติอยู่ในศีลกินในทางอันไหนได้อ น, นิสงส์มากกว่ากันการปฏิบัติต้องได้อนิสงส์มากกว่าเพราะเป็นปฏิบัติบูชาส่วนการสร้างพระพุทธรูปนี้ถือว่ายังอยู่ในอามิสซบูชาอยู่ถ้าถ้าการสร้างพระพุทธรูปได้ได้บุญหนึ่งล้านการปฏปิบัติก็จะได้เป็นแสนล้าน พระเจ้าบอกว่าการบูชาตถาคตที่แท้จริงต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาอาบิสบูชานี้ก็เป็นเพียงแต่การแสดงความเคารพความศรัทธาเท่านั้นแต่ยังไม่ได้ยังประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มีความเคารพมีความศรัทธาไม่เหมือนกับการปฏิบัติบูบชาปฏิบัติศีนสมาธิปัญญาปฏิบัติทานศีนภาวนา อันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติดังนั้นขอให้เรามุ่งไปที่การปฏิบัติบูชาไม่มีงานไม่มีงานสร้างพระพุทธรูปก็ไม่ต้องไปเสียเวลาหาเงินมาสร้างพระพุทธรูปเพราะว่าอันนี้สงได้ไม่เท่ากับการไปปีกเว้เวกไปปฏิบัติธรรมไปเจริญสมถวิปัจฉนาภาวนาอันนี้แหละ เป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะจะทําให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองต่อให้สร้างพระพุทธรูปเป็นแสนล้านองค์ก็จะไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่การภาวนานี้จะทําให้สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้คำถามข้อต่อไปจากคุณอานัตนะครับนักปฏิบัติต้องงดเว้นอะไรบ้างต้องเว้นการติดต่อทางโลกไหม ต้องทิ้งงดไลน์เฟซบุ๊กแชทต่างๆไหมมานั่งแหวะแผกขุบตลอดเวลาอย่างนี้ใช่นักปฏิบัติไหมก็มีหลายขั้นไงมีขั้นอนุบาลขั้นปถมขั้นมัธยมขั้นอุดมศึกษาก็ต้องแยกแยะกันไปเป็นขั้นขั้นขั้นแรกก็ยังอาจจะมีนู่นมีนี่มีลงมีไลน์มีอะไรก็ว่าไป แต่ถ้าขั้นสูงขึไปเรื่อยๆก็จะตัดไปเรื่อยๆอย่างถ้าไปอยู่วัดป่าบรรดาสมัยก่อนก็ห้ามห้ามโทรศัพท์โทรทัศน์ห้ามวิทยุห้ามหนังสือพิมพ์ห้ามออกไปรับจิตนิมนต์นอกวัดให้อยู่แต่ในวัดจเจริญปฏิบัติทำเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าจะออกไปก็เฉพาะตอนเช้าออกไปบิณฑบาตโปรดสัตว์เท่านั้น หลังจากนั้นกลับมาก็ไม่ออกไปนอกวัดให้ทุ่มเทเวลาให้อยู่กับการเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็ทำกิจวัตรที่จำเป็นจะต้องทำเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นขั้นสูงขึ้นไปถ้าขั้นแบบขั้นธรรมดาขั้นเริ่มต้นก็อาจจะมีไอ้นั่นบ้างไอ้นี่บ้างเพราะยังมีมีความผูกพันมีความห่วงใย ยังอยากจะติดตามเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่แต่ถ้าอยากจะให้ได้ผลดีก็ควรจะตัดมันไปหมดอย่างที่ท่านบอกว่าสำรวมเอ็นซีสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายก็คือไม่รับอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไปอยู่ในป่าแล้วก็ไม่เอามือถือไปด้วยไม่มี i อพก ipad ติดตัวไปด้วยมีแต่อาการ3 2คือร่างกายนี้ กับปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดูแลรักษาร่างกายนี้เท่านั้นอันนี้ถึงจะเรียกว่าปฏิบัติอย่างเต็มร้อยเต็มที่ถ้าอยากจะได้ผลเดีวได้ผลเต็มร้อยเต็มที่ก็ควรจะปฏิบัติแบบนี้ถ้ายังอยากจะมี น, น, นู่นเบนี่พลุงพลังติดตัวไปด้วยก็จะทําให้ถ่วงการปฏิบัติถ่วงความเจริญของการปฏิบัติ อันนี้ผู้ปฏิบัติก็ต้องเป็นผู้พิจารณาเองว่าต้องการผลเลิศขนาดไหนเพราะเหตุเพราะผลอยู่ที่เหตุคือการปฏิบัติสุปฏิปันโนอุจุปฏิปันโนญาญะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนสมัยพระพุทธการมีลายหรือเปล่ามีมือถือหรือเปล่ามีทีวีหรือเปล่ามีไอแพดหรือเปล่า มีอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าถ้านมีแต่ป่ามีแต่เขามีแต่เรือนร้างมีแต่ป่าชา้านั่นแหละที่เกิดของพระอริยบุคคลขั้นต่างๆที่เกิดของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์ต่างๆเกิดในป่าในเขาในป่าชา้าในเรือนร้างในที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงนี่คือที่ปฏิบัติของนักปฏิบัติ ข้อต่อไปนะครับนักปฏิบัติที่หลุดพ้นมีลักษณะเช่นไรที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนคงจะยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของร่างกายเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจกับผู้ที่เขาหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นขอให้มาสนใจตัวเราดีกว่าว่าหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นเพราะจะเห็นได้อย่างชัดเจน อตอนนี้ยังมีความโลภความโกรธความหนองอยู่หรือเปล่ายังมีตัณหาความอยากอยู่หรือเปล่าให้ดูตัวเราดีกว่าเพราะคนอื่นเขาจะหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นมันก็ไม่ได้ทําให้เราหลุดพ้นต่างก็ไปด้วยงั้นเขาจะหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนอกจากว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราจะได้รับประโยชน์จากผู้ที่หลุดพ้นหรือไม่ก็ดูที่คําสอนของเถาก็แล้วกัน ว่าคำสอนของเขาสามารถทำให้เราหลุดพ้นได้หรือเปล่าสามารถให้เราเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติได้หรือเปล่าทำให้กิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆภายในใจของเราน้อยลงไปได้หรือเปล่าทำให้ความทุกข์น้อยลงไปได้หรือเปล่ า, ท ำ, า, ท, ลไไลาทำให้ความสว บ, บสุขภายในใจเพิ่มมากขึ้นได้หรือเปล่าก็เอาแค่ตรงนั้นพอแนละ้วสาหรับเราตัวท่านจะบรรลุหรือไม่บรรลุอันนี้ก็ไม่สาคัญ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของแต่ละคนเขาบรรลุก็ไม่ได้ทำให้เราบรรลุตามแต่ถ้าเขาสามารถสอนให้เราบรรลุได้เอาตรงนั้นก็พอถ้าเขาสอนแล้วทาให้เราบรรลุไม่ได้ก็อาจจะไม่ใช่อาจารย์ของเราเอาให้แค่ดูแค่ตรงนี้อย่าไปตามจับพระอารหันต์ให้มันเหนื่อยเลยจับก็ไม่ได้รางวัลอะไรไม่มีใครเขาจะมอบรางวัลให้ ถ้าจะจับผ้าอะหันก็จับในตัวเรานี่แหละจับให้มันได้ๆเลแล้วเราจะได้รางวัลคือปรมังสุ ข, ขังนิพพานังปรมังสุขขังให้จับตัวนี้ตัวเดียวก็พอ อ, อาละหันในตัวเราไม่ต้องไปจับอาลหันในตัวของคนอื่นเขาจับไปแล้วเหนื่อยไปเปล่าๆ เ, เดี๋ยวก็จะไปเจอแต่อาลหันปลอม คำถามข้อต่อไปจากคุณบุ๋มนะครับหากเราต้องเจอกับคานินทาว่าร้ายตลอดเวลาและหลายคนรวมกันทั้งที่เป็นเรื่องไม่จริงเราจะมีอุบายอย่างไรที่จะทำให้เราสงบได้ก็ให้คิดอย่างนี้เขาไม่ชอบเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราว่าคิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเรากใกล้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเรา ถ้าเขาค่าเราก็คิดว่าดีแล้วเกิดมาคนเราทุกคนก็ต้องตายด้วยกันบางคนอยากจะตายต้องเสียเงินไปซื้อยาพิษมากินอันนี้เราไม่ต้องเสียเงินถึงเวลาก็มีคนมาจัดการให้กับเราก็อนุโมทนาสาธุไปเลย <laughs> จบ <laughs> คำถามข้อต่อไปนะครับการสร้างถาวรวัตถุมอบให้ภาคศาสนา หากยังมีจิตที่คิดว่าเราเป็นคนสร้างเป็นเงินของเราเราจะทำอย่างไรก็ได้ให้ใครใช้ไม่ใช้ก็ได้กับการที่ทําแล้วสละออกไม่เกี่ยวข้องกับตนเองถือว่าเป็นของศาสนาอานิสง์ให้ทานต่างกันมากไหมแน่นอนถ้าให้โดยที่ยังใจยังมีความผูกพันอยู่ก็ถือว่ายังไม่ให้ให้แล้วใจต้องขาดจากสิ่งที่ให้ไปถึงจะเป็นบุญ ความสุขใจนี้จะมีมากมีน้อยอยู่ตรงนี้ถ้าเราให้แล้วเรายังมีความผูกพันยังมีเงื่อนไขอยู่เวลาเขาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแทนที่จะมีความสุขใจก็จะมีความเสียใจขึ้นมาได้แต่ถ้าเราให้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรผูกมัดไว้ให้ไปแล้วใครจะเอาไปโยนทิ้งขยะก็ไม่ว่าอะไรอย่างนี้เรียกว่าให้เราจะเกิดอ น, นสิสงส์สูงสุดแก่ใจของผู้ให้น ส่วนประโยชน์นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าให้เงินไปแล้วให้เงินเข้าไปแล้วก็เอาเงินไปเผาทิ้งอย่างนี้ก็เสียดายไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ผู้ให้ก็ยังได้ได้ประโยชน์คือได้ลกความตณีความหวงในเงินก้อนนั้นไม่เสียดายไม่ยึดไม่ติดมีความสุขเวลาเสียแทนที่จะมีความทุกข์กับมีความสุขเป็นการซ้อมเสียไวเ้เรื่อยๆ ต่อไปข้างหน้าเวลาข้ามยขึ้นบ้านแล้วถูกเพื่อนโกงเงินโกงทองไปก็จะไม่เสียออกเสียใจก็จะคิดว่าเป็นการทําบุญให้ทานไปส่วนประโยชน์ที่ผู้รับจะนําเอาไปทําต่อนี้ก็ควรจะติดตามดูถ้าเขาเอาไปทำทำไม่เกิดประโยชน์ทําให้เกิดความเสียหายเราก็จะได้ไม่ไปทํากับเขาอีกต่อไปแต่ถ้าเขาเอาเงินของเราไปแล้วทําให้เกิดประโยชน์เช่นไปสร้างโรงเรียนไป เอาเด็กอนาถาไม่มีบ้านไม่มีช่องมาศึกษามาเร่มเรียนให้มีความรู้ที่จะสามารถเลี้ยงดูตัวเขาเองและเป็นพลเมืองที่ดีต่อของสังคมได้ถ้าเขาทำอย่างนี้เราก็หน้าที่จะทำต่อได้แต่ถ้าเข้าเงินก้อนนี้ไปเล่นการพนันไปสร้างไปสร้างบาสร้างบ่อนนี้เราก็ควรที่จะถอนออกมาได้ไม่ไม่ควรที่จะไปทำแบบนี้เท่านั้นเอง งั้นก่อนที่เราจะให้ทําอะไรก็ตามเราก็ต้องดูถึงผลที่จะตามมาว่าจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือไม่เช่นเราสร้างวัดนี้สร้างให้เป็นที่มีสถานที่ปฏิบัติธรรมให้คนได้มาภาวนาให้มาบรรลุมรรคผลผนิพพานอย่างนี้แล้วพอมีคนมาปฏิบัติบรรลุมรรคผลผนิพพานมันก็จะทําให้เรามีความสุขมีความดีใจ อย่างนี้ก็ทันอย่างนี้ก็เป็นประโยชน์แต่เราต้องไม่มีความผูกมัดไม่ใช่พอเราสร้างเสร็จแล้วต้องไปเลือกคอนนี้อยู่ได้คนนี้อยู่ไม่ได้เป็นเจ้าของอยู่ถ้าอย่างนี้ก็ยังถือว่ายัางไม่ได้ให้ยังไม่ได้สละพระอาจารยครับต่อยอดจากเทศนาวันนี้ครับชาวพุทธส่วนมากเนี่ยมีความเชื่อว่าการได้เดินทางไปกราบพระผู้ เป็นอริยะหรือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยจะได้บุญมากไม่ว่าจะไกลแค่ไหนบุก ป, ป่าฝ่าดงไปจะได้บุญมากเป็นเรื่องจริงไหมครับอาจารย์คือถ้าเราไม่มีธรรมะเลยเราไม่รู้เลยว่าธรรมะเป็นอย่างไรถ้าเราได้ไประกาศว่าครูบาอาจารย์ที่มีธรรมะธรรมะแท้เงี้ยมันก็จะมีประโยชน์มากเหมือนกับมีผู้ที่ชี้บอกทางให้เราเดินไปสู่ขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากท่านอยู่ที่ไกลขนาดไหนก็ไปเถิดเพราะไปแล้วจะได้แผนที่ที่จะพาให้เราไปสู่คุ้มทรัพย์อันยิ่งใหญ่อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ได้บุญมากแต่ถ้าเรารู้แล้วมีแผนที่อยู่ในมือแล้วแล้วคุ้มทรัพย์รู้แล้วว่าจะไปอย่างไรก็ไม่ต้องไปให้เหนื่อยเพราะไปก็จะได้แผนที่อันเดียวกันฉบับเดียวกันกูเกิลเหมือนกันเข้าใจไหม นันต้องอยู่ที่สถานะภาพของผู้ที่สแสวงหาบุญแบบนี้ว่ามีอยู่แล้วหรื อ, อยังอย่างที่นี่มีเต็มเต็มไปหมดแล้วเนี่ยเขาโน้วตานี่มีมีทั้งหมดรวบรว ม, รวมธรรมเทศนาที่ท่านแสดงมาตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเราเอาไปเปิดเอาไปฟังเอี่ยว่ามีอันนี้แล้วพอเราปิดตัวไปปิดไม่เวกเราก็อย่าไปสนใจกับการไปรับข่าวสารว่าโอ้มีอาจารย์ตงนั้นจะมา ก็เลยแคนเซที่พักไม่มาปฏิบัติไปทําบุญไปฟังเทศฟังธรรมกับอาจารย์ต่อก็ฟังเรื่องเก่าอีกละก็เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนานี่แหละจะให้ฟังเรื่องอะไรถ้าไม่ดูเลยว่าทานศีลภาวนาเป็นอย่างไรแล้วไปฟังแล้วจะเกิดความเข้าอกเข้าใจหูตาสว่างสามารถนําพาไปสู่การปฏิบัติได้อยังงี้ก็น่าไปแต่เมื่อออกมาปฏิบัติแล้วจะกลับไปหาอะไรกะ่ะ ตะเดินถอยห้องไปหาแผนที่นะแล้เมื่อเราเดินทางไปแล้วเรายังไม่หลงทางเรายังไม่ติดนะถ้าเราเดินทางไปแล้วเราหลงทางไม่รู้ว่าไปถูกทางหรือเปล่าตอนนั้นก็ต้องเปิดแผนที่ดูต่อว่าเอะมาเรามาถูกทางหรือปเปล่าเลี้ยวปิดทางหรือเปล่าถ้าเลี้ยวผิดเราจะได้ย้อนกลับไปใหม่ได้อันนี้ก็จำเป็นจะต้องกลับไปดูแผนที่กลับไปหาครูบาอาจารย์อย่างหลองตาสมัยที่อยู่กับหลวงปู่มัน่นท่านก็มีช่วงที่ท่านปีกวยเวง ท่านบอกท่านก็ต้องไปหาที่สงบไปบาเพ็ญตามลำพังเพราะอยู่กับครูบาอาจารย์นี้จะมีภารกิจมากภารกิจภายนอกทำให้ไม่สามารถเข้าสู่การทำภารกิจภายในได้แต่พอไปปีกเว่ยเว่ยอยู่ตามลำพังพอไปภาวนาแล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาเกิดความสงสัยขึ้นมาอันนี้ท่านก็บอกท่านก็ต้องกลับมามางทีกลับมาเพียงวันเดียวเ ช, ช้าเสร็จท่านก็เดินจากที่ท่าน ภาวนาถ้าไม่ไกลจนเกินไปเดินถึงถึงวัดที่หลวงปู่มั่นอยู่ประมาณบ่ายพอท่านออกมาก็เข้าไปกราบไปเล่าให้ฟัง่อหลวงปู่มั่นแก้ปัญหาให้เสรจท่านก็ปะกาบลาแล้วท่านก็เดินเดินจงกรมกลับไปสู่ที่ภาวนาของท่านอันนี้จำเป็นถ้าเกิดไปติดขัดมีปัญหาไม่สามารถที่จะก้าวหน้าไปได้อันนี้ก็ต้องกลับมาดูแผนที่กลับมาสอบถามมาเล่า การปฏิบัติของตนว่าเป็นอย่างนี้จะทำอย่างไรต่อไปจะแก้อย่างไรจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรอย่างนี้ถึงสมควรที่จะต้องไปด้นด้นดานหาครูบาอาจารย์ที่จะแก้ปัญหาของเราได้ถ้าท่านอยู่ในป่าเหวลึกขนาดไหนถ้าเราเชื่อว่าท่านสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับเราได้เราก็ต้องไปแสดงว่า ถ้าต้องการไะกราบไหว้ด้วยกิเลสความอยากแค่ต้องการจะกราบเนี่ยไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ได้บุญอะไรใช่ไหมครับท่านทาจะเปรียบเทียว่าถ้าไปดูหนังฟังเพลงมันก็ยังได้ประโยชน์อยู่อยู่ที่ว่าเราจะเปรียบเทียว่า <c oughs> จะเปรียบอย่างไรแต่ถ้าถ้าไปภาวนาก็กลับไปกราบไปกราบไปฟังเทศฟังธรรมท่านใหม่ฟังฟังธรรมอันเดิมอันซ้ํากันนี้ก็สู้ไปภาวนาไม่ได้ดงนั้นอยู่ที่ว่าเราจะเปรียบบุญระดับไหนถ้าเปรียบบุญกับ ระดับไปเที่ยวไปกินไปดื่มนี้แล้วไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์นี่ไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์มันก็ดีกว่าแต่ถ้าระวังเปรียบเทีย ว, ว่าเราภาวนาปีกวิเวกอยู่แล้วแล้วต้องกลับมาไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์นี้แล้วไปฟังธรรมะอันเดิมที่เราได้ยินได้ฟังมาจนุปากหูฉีกไปแล้วอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วเราต้องอยู่ที่ดูดูที่จุดที่เรายืนว่าเรายือนอยู่ตรงจุดไหน แล้วเราขาดอะไรเราก็ต้องหาสิ่งที่เราขาดไม่ใช่ไปหาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วสิ่งที่มีอยู่แล้วเอามาเติมมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นมีเสื้อผ้าอยู่เต็มตู้แล้วไปซื้อเสื้อผ้ามาสิบชุดมันมีประโยชน์อะไรใช่ไหมตอนนี้ขาดรองเท้าก็ไปซื้อรองเท้าสิไปซื้อเสื้อผ้ามาทำไมขาดกระเป๋าก็ไปซื้อกระเป๋ามาต้องดูว่าเราขาดอะไรแล้วเราควรจะไปหาสิ่งที่เราขาด สิ่งที่เรามีอยู่แล้วอย่าไปหามาไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์มากกว่าที่มีอยู่เท่าเดิมที่เรามีอยู่แล้วหมดคำถามคับอาจารย์นอกจากว่าท้อแท้เบื่อนายไม่มีกําลังจิตกําลังใจที่จะภาวนาอันนี้ก็ยังพอจะมีเหตุว่าขาดกําลังใจไปกราบครูบาอาจารย์ไปฟังเทศฟังธรรมของท่านท่านก็จะเหมือนกับชาร์จแบตให้กับเรา พอฟังแล้วก็เกิดฉันทะวิริยะเกิดอิทธิบาสีอันนี้ก็ไปได้ถ้าเป็นไปแบบนี้ขอให้มีเหตุมีผลอย่าไปด้วยความอยากอย่าไปแบบงโคตื่งเขาหลวงพ่อองค์นี้มาแล้วนะ ลืมลืมสิ่งที่ควรจะทําไปเลยพอได้พอมีช่องออกกิเลสมันเจ้าออกทันทีเลยแทนทีจะขังตัวเองขังกิเลสไว้กิเลส ม, มีช่องเปิดประตูนหน่อยไปเลยเนีย <c oughs> ขอให้ระมัดระวังนะกิเลสมันมี <c oughs> มันมีอุบายเยอะบางทีมันก็เอาธรรมะมาเป็นข้ออ้าง <c oughs> ถ้าเราไม่ใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะเราก็จะถูกมันหลอกได้อย่างพราห์ก็ถูกมันหลอกว่ามันรับกินให้หมนไปโปรดญาติโยมไปสงคอายาโยมไม่คิดไม่สงคอตัวเองบ้างเ <c oughs> ข้าใจไหม <c oughs> คือทําความดีมันดีทุกอย่างนะเพียงแต่ว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าเราอยู่ในจุดไหนเราควรจะทําความดีแบบไหนอ <c oughs> ปฏิบัติที้นะคะปฏิทินไปไปจะภาวนาวัตถีว่าก น, น, นะคะเครื่อแบบนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกลมแต่ทีนี้การวางใจในเรื่องของแต่นั่งสมาธิคือจะภาวนาพุทโธพุทโธแล้วทีนี้ในเรื่องของการเดินโยงกลมไม่แน่ใจว่าเออเพื่อให้ไม่มีสมาธิติดกับพุทโธนี่ก็คือเหมือนกับแค่เปลี่ยนกิริยาบทนี่ครับจารย์ถูกต้องก็คือ <c oughs> คือคือตอนยังจับหลักไม่ได้ก็ตอนนั่งสมาธิค่อนข้างจะสงบแต่ก็ไม่ได้สว่างอะไรแต่ว่านั่งนั่งนั่งได้ค่อนข้างนานแต่พอเปลี่ยนกิริยาบทไป คือมันจะเป็นกลายเป็นว่าไปไปไปรู้สึกการเคื่อนไหวแค่นะคะอาจารย์ก็ได้เหมือนกันจะอยู่กับพุทโธก็ได้หรือจะอยู่กับการก้าวเท้าก็ได้แล้วแต่เราถนัดคือแล้วแต่ว่าคือจริงๆถ้าจะจับให้ติตมันอยู่กับพุทโธก็ได้แต่ยังยังไม่รู้หลักว่าเอ๊จะได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งสอย่างคือฝึกเพื่อให้เกิดจิตมันมีอันเดอใช่ไม่ให้คิดปรุงแต่งอ๋อแล้วหลังจากนั้นคือต้องสมาธิระดับไหนนะคะถึงว่าใครมาเพื่อให้เกิดสัญญาก็ถ้า ถ้าพิจารณาได้ก็พิจารณาเลยกันนะถ้าเราพิจารณาร่างกายได้ก็พิจารณาไปเช่นพิจารณาว่าร่างกายของเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายของคนอื่นก็เช่นเดียวกันสามีภรรยาบิดามารดาบุตรทิดาพิจารณาไปพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาเห็นว่าเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นอาการสามสิบสอง เป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นอสุภะไม่สวยงามเวลานางกายตายไปแล้วไม่น่าดูไม่น่าชมออย่างนี้คือคือคือเราเรานำคือชวนทักทักให้จิตพิจารณาตามนั้นไปก่อนอแต่ว่าถ้าเกิดสักพักหนึ่งมันฟุ้งไปเรื่องอื่ น, นก็หยุดอ่<ๆ>ใช่ถ้ามันฟุ้งก็ต้องหยุดแสดงว่าไม่ใช่ไม่เป็นปัญญาแล้วเป็นกิเลสแล้ว mm hmm. เผลอไปคิดเรื่องอื่นแทนที่คิดถ้าเป็นปัญญามันจะไม่ฟุง้ง ถ้ามันอยู่กับร่างกายอยู่กับเรื่องของร่างกายนี้มันจะไม่ฟุ้งถ้าไม่อยู่กับร่างกายนี่หมายความว่าอยู่กับอาการสามสิบสองไม่ไม่เห็นเห็นทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังนี้เห็นอาการสามสิบสองเห็นกระโหลกศีรษะเห็นโครงกระดูกเห็นหัวใจเห็นตับเห็นไตเห็นไตเห็นพุงเอถ้ามันอยู่กับอาการเหล่านี้มันจะไม่ฟุ้งหรือเห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเห็นว่าในที่สุดมันก็เป็นเพียงดินน้ำนมไฟ เวลาตายไปแล้วร่างกายก็ละลายแยกออกไปดินน้ำลมไฟก็แยกกันไปเหลืออยู่แค่เศษกระดูกกับที่เท่าออันนี้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วรับนองได้ไม่ฟุ้งอแต่ถ้ายังคิดอย่งนี้อยู่แล้วแบบใจมันจะไม่ยอมก็คจะฟุ้งไปแล้วก็ต้องทํำสมาธิกลับมาพุทโธพุทโธไปแล้วถ้าสมมติว่าทำงานนะคะอาจารในก็ให้มีสติให้มีสติ อ่าให้อยู่กับพุทโธอยู่กับตัวเราหรืออยู่กับพุทธโธก็ได้เหมือนกับที่เราปฏิบัติอยู่ที่วัดเนี่ยรักษาสติไว้ก่อนนั่งยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรักษาสติอย่าให้ใจฟุง้งอย่าให้คิดเรื่องอดีตเรื่องอานาคตให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับร่างกายอยู่กับการทํางานของร่างกายหรือให้อยู่กับพุทธโธไปจัดการเราจะมีเวลาว่างเราค่อยนั่งหลับตาแล้วก็พุทธโธไปหรือดูลมหายใจไปก็ได้ ให้ใจนี่อทั้งวันทั้งคืนอ่ตลอดเวลาอย่าไปเสียเวลากับการดื่มการรับประทานมากเกินไปอย่าไปเสียเวลากับติดตามข่าวสารบ้านเมืองทําให้จิตเครียดฟุ้งซ่านขึ้นมาอย่าไปติดตามละครโทรทัศน์เรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้ตัดไปให้หมดพระ อ, อะญญาจารย์ครับมาตรการการอดอาหารทั้งวันโดยกินแต่น้ําเนี่ยครับพระอาจารย์อือ่า ทำอย่างไรให้คารวาผู้ใช้ชีวิตปกติเนี่ยสามารถทําได้ครับโดยที่ไม่ได้มาเข้ามาบวชหรือผมนุ่งขาวครับอาจารย์คือยากถ้าอยู่ใกล้อาหารมันยากต้องอยู่ไกลเพราะาเราไม่กินพอกคนหนื่งเขาทำกับข้าวกินมันโชยมาในจมูก <c oughs> <c oughs> มันก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหว่าอันั้นต้องมาอยู่ที่มนเขาเนี่ยจะทําได้ง่าย ก, กว่าแต่ถ้ายังอยากจะทําอยู่ที่บ้านก็ต้องให้คิดถึงอาหารเวลามันเข้าไปในปาก เวลามันอยู่ในท้องเวลาดูสภาพของมันเวลามันอยู่ในปากมันเป็นหยาดถ้าอยากจะเห็นก็เคี้ยวมันแล้วก็คลายมันออกใส่จาน้ามาใหม่ออกมาใหม่แล้วค่อยตักเข้าไปใหม่หรือเข้าไปในท้องแล้วก็ให้มันอาเจียนออกมาแล้วดูเนี่ยอาหารอร่อยอร่อยที่เรารักเราผูกพันเราอยากจะกินมันเนี่ยมันเป็นยังไงตอนนี้อยู่ในท้องเราแล้ ว, ลวอยู่ในปากเราแล้วเป็นยังไงถ้าเรามีกําลังที่จะพิจารณาได้แบบนี้ก็จะ ทำให้เราอดอาหารได้ลอดอาหารได้ถ้าไม่ได้ถ้าเรามีสติก็มาพุโทโธได้ตลอดเวลาก็ใช้พุโทโธสู้กับมันไปก็ได้แต่แต่พอมีเห็นอาหารปั๊บพอได้กลินอาหารแล้วปั๊บนี่มันจะเป็นเหมือนเนยนะใจเนะี่ยมันเหมือนเนยโดนไฟนะมันจะลาลาย <c oughs> <c oughs> หมดเรี่ยวหมดแรง <c oughs> ไม่มีกําลังที่จะต่อสู้ แล้วมันก็จะว่ า, อาขอขอขอขอขอยกเว้นวันในวันนี้ขอ <c oughs> แล้วมันต้องมีมีอะไรบางอย่างที่เราจะเป็นเครื่องมือต่อสู้กับมันหรือว่าเราใจเป็นคนเด็ดเดียวกล้าหาญคำพูดคำไหนเป็นคำนั้นอย่างนนี้ก็พอจะสู้ได้อย่างห้องตาท่านบอกว่าตอนที่ท่านบวชใหม่ๆท่านล้างบาทเช่นบาทยังไม่ทันแห้งเลยมันหิวละ ถ้าบอกถ้าหิวอย่างนี้ต้องไม่กินนักสามวันแล้วท่านก็ไม่กินสามวันลงโทษมันต่อไปมไม่กล้าหิวอ่ะเรากล้าลงโทษตัวเราเองเขาบอกคนเราอยากจะได้ดีมันก็ต้องอย่างเงี้ยต้องกล้าลงโทษตัวเราเองเมื่อเราทําผิดเราจะปล่อยมันไปได้ยังไงที่คนเดินนี่เราจะเอาเป็นเอาตายขเขาเอาไปแล้วจะปลดออกจากตําแหน่งได้ <c oughs> แต่พอตัวเองเป็นนี่เหมือไม่ยอมไม่ยอมออกมีข้ออ้างข้อแก้ตัวร้อยแปดย่างนคนเราจึงดีจึงทําให้ตัวเองดีขึ้นมาไม่ได้เพราะไม่มีวินยัยไม่มีความกล้าหาญต้องเป็นแบบพันท้ายนรสิงห์เลยเคยได้ยินนิทานพันท้ายนรสิงห์ป่ะสมัยนี้เขาไม่เล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังนะแต่สมัยเด็กๆจะมีนิทานเหล่านี้สอนในโรงเรียน ปัญท้ายนอสิงก็สอนให้ในความเข้ารบในกฎระเบียบถึงแม้ว่าทําผิดแล้วโดยไม่มีเจตนาและพระราชาให้อภัยโทษก็ไม่ยอมรับอภัยโทษยอมขอรับโทษประหารชีวิตเพื่อจะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างต่อผู้อื่นอีกต่อไปและก็ไม่เป็นเยี่ยงอย่างกับตนเองเพราะต่อไปกลับมาเกิดชาติหน้ามันจะได้ไม่มีข้ออ้างมันจะได้ไม่กล้าทําผิดนั่นเอง พอรู้ว่าถ้าทําผิดแล้วไม่มีวันที่จะมีอาการอภยโทษได้ก็มีใครอยากจะไปกล้าทําผิดมั้งที่กล้าทําผิดกันก็เออไม่เป็นไรเดี๋ยวก็อภัยทานอภัยโทษได้ไม่ก็เลยผิดกันอยู่เรื่อยใช่ไหมเป็นปัญหาความจริงน่าจะอพันท้ายนรสิงห์มาขึ้นบอดได้แล้วเนี่ยว่ <c oughs> าเล่านิทานเก่าๆให้คนสมัยใหม่ฟังกันบ้าง <c oughs> บ้านเมืองจะได้สงบสักทีใช่ไ เนี่ยบ้านืองไม่สงบเพราะไม่มีพันธะนอสิงมาตรการลงโทษตัวเองครับอาจารย์กลัวว่าลงโทษตัวเองแล้วก็จะยกโทษให้อีกครั้งหนึ่งตอนอย่ดีเอาซะหน่อยยกเท่านัก็ไม่ลงโทษจริงเลยไม่ลงโทษจริงก็ต้องพยายามทําจัดง่ายไปหามากก่อนถ้ายังอดไม่ได้จริงๆก็เอาแค่สินแปดไปก่อนอดข้าวเย็นไปก่อนแล้วค่อย แต่ทางที่ดีจะต้องไปอยู่คนเดียวเนะี่ยมันถึงจะอดได้ไปอยู่ที่คนเขาไม่กินข้าวเย็นกันมันก็จะไม่รู้สึกอะไรคนที่มาบวชตอนต้นเขาตกเขากลัวกันนะเขาวิตกว่าจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าไม่เคยอดข้าวเย็นแต่พอมาอยู่กันด้วยกันไม่มีใครกินข้าวเย็นมันก็เลยไม่รู้สึกอะไรพอถึงเวลากินข้าวเย็นก็เข้าโบสถ์ละไปสวดมนต์ไหว้พระทำใจให้สงบเรามีกิจกรรมทําใจไม่ไปคิดถึงเรื่องอาหารมันก็ไม่หิวแล้ว พอสวดเสร็จออกจากโบสถ์ก็ง่วงนอนแล้วนอนดีกว่า <laughs> นั่นต้องมาอยู่วัดนะถ้าอยากจะลองอดอาหารดู <laughs> ถ้าอยู่บ้านนี่จะยากถ้าอยู่บ้านก็ต้องอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยไม่มีคนที่รับประทานอาหารเย็นถ้าอยู่ด้วยกันทุกคนก็ต้องถือถือศีลข้อเดียวกันอย่างนี้ก็พอที่จะอยู่ได้ ทำได้แต่ว่าอยู่เฉยๆแล้วก็งดกิจกรรมก็จะพออยู่ได้นะครับแล้วก็ต้องจเจริญสติคอยควบคุมความคิดอย่าให้แวบไปคิดถึงเรื่องอาหารพอคิดไปแล้วเดี๋ยวมันเหมือนไฟป่ามันเริ่มจุดเดียวนะเริ่มจากเศษบุหรี่นิดเดียว เ, เดี๋ยวถ้าไม่ไม่รีบดับมันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไฟไหม้ป่าใหญ่ดับยาก ถ้ามีสติมันจะคอยดับไฟอยู่เรื่อยๆพอคิดถึงพอเผลอไปคิดับรู้ว่าคิดถึงเรื่องอาหารปั๊บก็ต้องกลับมาพุทโธพุทโธอย่างนี้มันก็จะทำให้ไม่ลามปลามไปแต่ถ้าปล่อยให้มันคิดถึงอาหารอันนั้นก็ดีอันนี้ก็อร่อยเดี๋ยวไปเลยสติแตกตะบะแตก ดนั้นการจะปฏิบัติทําได้ผลดีต้องอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงกลิ่นรสปศพภะนะต้องสำรวมอินทรีย์ตาหูจมกูกรินมกายเ<ม>พื่อจะได้ตัดปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการทําใจให้สงบได้<ม>เอาแล้วนะมีอะไรไหมไม่มีถ้าไม่มีก็ขอให้ท่านได้นําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟัง ไปปฏิบัติเพื่อการเจริญก้าวหน้าในทามยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอาใครอยากจะถวายของก็เข้ามาต่อได้ถวายต่อไนดะ้